อันศรัทธาของเราที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องปลูกฝังให้ตรงประเด็นว่าศรัทธาของเราแต่คุณของพระพุทธเจ้าแต่คุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เรามีศรัทธาต่อพระองค์เท่าใดสมบัติของเรามีอยู่เท่านั้นศรัทธาน้อยก็บอกว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะเป็นธรรมที่เลิศศรัทธาเลวเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกถ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าน้อ ย, อยจะคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆไหม ถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ไม่บ่อยจะคิดถึงสิ่งที่พระองค์สอนได้บ่อยไหมอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยนะให้ความสําคัญกับคําว่าธรรมะเนี่ยมากธรรมะเนี่ยนะต้องไม่ลืมว่าสวากขาโตภควะตาธรรมโมต้องพูดให้มันเต็มประโยคถ้าพูดไม่เต็มประโยคแล้วยุ่งมากนะนะยุ่งอย่างไรก็หนักๆเข้าก็ถือเอาแต่สภาวะธรรมทั้งหลายสภาวะแห่งธาตุดิน สภาวะแห่งธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟสภาวะแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารสภาวะแห่งัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกะขะตาบอกนี่สภาวะธรรมนี่หรือสารณะของเราบอกไม่ใช่ต้องเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพันัสษะเวทนาเป็นต้นเป็นผลผลิตที่พระพุทธเจ้าสอนมานะพันเราต้องแยกแยะให้เป็นว่าธรรมังสารนังขชามี ธรรมะที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของเราคืออะไรนนะหมายถึงคําที่พระพุทธเจ้าสอนสวากขาโตสอนไว้ดีแล้วสอนอะไรสอนอโลกุตระและแนวทางที่บอกถึงโลกุตระเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวโลกุตระและทำรรใดที่ชี้แนวบอกกล่าววิธีการที่ทําให้บรรลุโลกุตระนั่นแหละคือพระธรรมที่เป็นอารมณปัจจัยของศรัทธา แล้วก็พระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้ที่เข้าถึงธรรมเรานับถือพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะฐานะที่ท่านถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมสาเร็จเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนบุคคลที่เหลือก็เป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่มีในศาสนานี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาไว้ให้เราดูหมินดูแคลนเหยียดย้ําอะไรเป็นต้นเพราะท่านเหล่านั้นก็สืบกระแสเชื้อวงของ พระรัตนตรัยมาเนี่ยนะถ้าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านก็คู่ควรที่จะบรรลุมรรคผลต่อไปในอนาคตท่านก็เป็นว่าที่ถ้าประพฤติตัวดีปฏิบัติชอบก็สามารถที่จะสําเร็จต่อไปเนี่ยนะซึ่งบุคคลที่บวชเข้ามาก็คือใครถ้าพูดโดยนับศักด์ก็คือลูกหลานของเราทั้งหลาย น, นะอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นอะไรมันก็คือก็คือญาติญาติเรานั่นแหละก็คนไทยเหมือนกันนั่นแหละว่างั้นเถอะหรือคนประเทศอื่นมันก็ชาวโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเรานี่แหละ แต่ว่าสรุปรวมรวมว่าท่านเหล่านั้นก็ผู้ที่สแสวงหาความพ้นทุกข์เช่นกับเรานนะท่านเหล่านั้นทุกคนก็สแสวงหาความดับทุกข์สแสวงหาข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ตรงตัวเลยจริงๆทุกคนก็สแสวงหาพระรัตนาตรายบางคนก็บอกโอ้คําว่าพระตัตนาตรายเกิดมาก็ได้ยินแล้วเชยที่สุดในโลกใช่คํานี้เป็นคําที่ได้ยินบ่อยจริงแต่ความหมายอันนั้นไม่เคยค่ําคล้าราชรสเนี่ยนะ มีย่สูตรหนึ่งพระองค์ไปประทับนั่งฉันอยู่ที่โรงรถของพระเจ้าประเสนที่โกสนรองค์ก็ถามว่ารถคันนี้ของใครพระเจ้าประเสนที่โกศนบอกรถพระเจ้าปู่พระเจ้าข่านะรถรถอะไรแบบรถลวดลายนะราชรถซึ่งเป็นรถไม้อนะไม่ใช่บอกนี่รถรุ่นรถพระเจ้าปู่พระเจ้าข่าแตคิดดูถ้ารถรุ่นปู่มันจะเก่าขนาดไหนใช่ไหมอันนี้บอกแล้วนี่คันนี้ของใคร เรีว่าเป็นกลุ่มเลยนะหลายๆคันน่ะเป็นกลุ่มเนี่ยกลุ่มนี้ของพระเจ้าปู่กลุ่มนี้ล่ะของพระบิดาเนี่ยของพระราชบิดาก็ค่รถรุ่นพ <i> <erman S 2> ่อเนี่ยนะทีนี้พระเจ้าปอร์เซนที่โกศลเนี่ยอายุห้าิแล้วอ่ะคิดดูว่ารถรุ่นพ่อที่จะขนาดไหนแล้วรถรุ่นปู่เราจะขนาดไหนองนะอ่ะและรถเนี่ยหม่อมชั้นที่แบบรถโละมาเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็แบบว่าใช้กี่ปีมันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่านี่ราชรถ ที่วิจิตเนี่ยราชรถเรื่องวิจิตพิสดารเนี่ยหายห่วงว่างันา้นเถอเรื่องแกะสลักลวดลายวิจิตพิสดารเนี่ยอยู่ที่ท่าชรถหมดน่ะเขบอกว่าสิ่งเหล่านี้เก่ารครา่าคร่าแต่ธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายไม่เก่าค่ําครานะโพธิปัจจะธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่คร่าครามรรลนิพานไม่ใช่เป็นสิ่งที่รคราําคร่าพระรัตนะตรายพระพุทธรัตนนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ค่ําคราค่ําครึก แต่เป็นสิ่งที่มีค่าพระธรรมก็คือเป็นสิ่งที่มีค่าภาษาวกทั้งหลายก็เป็นพรตรนะเนี่ยนะเป็นสังครัตรนะก็เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นแก้วที่มีค่าหาประมาณไม่ได้นั้นศรัทธาของเราที่มีต่อท่านเหล่านั้นศรัทธาของเรานี่แหละจะช่วยให้เราพ้นทุกข์เอาถ้าพูดถึงธรรมดาทั่ ว, วไปเนี่ยนะถ้าเราจะจุติตอนนี้เราจะเอาอะไรเป็น สมมตินะบอกเออเนี่ยถ้าคุณนั่งรถถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยนะแกระเบิดท่วมขึ้นมาเลยเนี่ยขอคิดถึงอะไรก่อนสมมุติถ้าระเบิดปรามนูเนี่ยมันลงขึ้นมาเนี่ยนะเอาเงเกิดจับพลัดจับผูกไปดมหายใจเข้าโรคสาเข้าไปเนี่ยทำไงเดียวคิดถึงขอคิดถึงอะไรแม้โชคดีแล้วเกินเนี่ยนะเขาเลี้ยงไปเจออาหารไข้หวัดนกสมมุตินะเนี่ทัวร์ก็ตายเรียบเลยนะไม่เคยรอดสักคนเดียวเพราะงั้นเป็นเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นอนะจริงไม่ตายวันนี้วันหลังก็ตายอยู่ดีแหละ เกิดเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้นะนะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดใกล้เราจะขอคิดถึงอะไรก่อนอะถือเอาอะไรเป็นหลักนี่นะถือเอาพระพุทธเจ้าแสดงว่าเราเลื่อมใสว่าใจของเราศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดพอที่จะพึ่งพิงได้บางคนก็บอกเอเอาศีลศีลเอาข้อไหนเอาคาว่าศีลหรือเอาตัวศีล ถ้าเอาตัวศีลเอาเจตนาเว้นจากปาณ า, าติบาใช่ไหมหรือเอาเจตนาที่มาจากอธินาทานหรือเอาเจตนาจากที่เว้นจากการเมสุมิชฌาจารย์หรือเอาเจตนาที่เว้นจากมุสาวะหรือเอาเจตนาที่เว้นจากดื่มสุราและเมรัยเพราะเจตนาคือตัวศีลหรือเอาเจตนาเป็นเป็นสาระเนี่ยะเป็นเป็นเป็นเกาะที่เราจะเชื่อมบอกว่าถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีศีลเนี่ยนะ มันก็อบายก็ปิดไม่ได้อยู่แล้วเชื่อเหร อ, อ น, นะรับรองได้เลยว่าคนที่ไม่มีศรัทธาคนที่ไม่มีศีลศรัทธาก็ไม่มีศีลก็ไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลเช่นนี้เนี่ยนะตกนรกเหมือนจับไปวางหรือเหมือนเขาขนขยะไปทิ้งอย่างนั้นนะนะเหมือนเขาขนไก่ไปทิ้งหลุมแล้วก็กลบแล้วก็ฉีดยาพ่นแล้วก็กลบเนี่ย น, นะใครว่าเหมือนอย่างนั้นเต๊ะเลยอย่างนั้นเถอะอันนี้มีมีในพระสูตรมีหลายสูตรมากไม่ใช่สูตรเดียวด้วย คนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยเขาบอกตกนรกเหมือนเขาว่าเหมือนจับเอาขยะไปทิ้งอ่ะ น, นะเหมือนไปทิ้งขยะทิ้งกองหยาบเยื่อไม่ได้พูดได้ไม่ได้ขึ้นมาหรือถึงขึ้นมาก็ยากเต็มทีแล้วพูดอย่างงี้เขบอกโอ้มันจะเป็นจริงหรือถ้าใครแบบอยู่บ้านตาบ้านดอยเมืองด ง, ดงมามากเนี่ยนะจะรู้เลยว่าขุดลงไปในดินแต่ขุดหนึ่งเซนก็มีสัตว์ขุดสิบเซนก็มีสัตว์ขุดหนึ่งเมต ร, ม, ตรมันก็มีสัตว์อยู่ในนั้นยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่มันก็มีสัตว์อีกอยู่ดีแล้้ววมันนเป็โพรงดย มีครั้งหนึง่งตกแต่งพื้นที่จะสร้างกุฏินนะโอ้ยขุดไปเนี่ยไปเจอกองปลวกเนี่ยนะแต่เป็นเป็นโพรงของปลวกเลยเป็นถ้าของปลวกเลยนะเรียกว่าเมืองปลวกเลยนะโอ้แล้วก็มีเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเยอะมากภูเขาทั้งลูกคิดดูว่าควรจะมีปลวกอยู่ตัวแล้วเขาเมืองไทยมันลูกเดียวซะที่ไหนแล้วเขาทั้งโลกพื้นดินที่เป็นภูเขามากกว่าพื้นเรียบๆบอกอ้าวนั่นน่ะนั่นน่ะบนเขาแล้วมุดลงไปใต้น้ําอีก โกยคโครนตรมลงไปในนั้นอสัตว์ทั้งนั้นเลยเรือนี่นะเรือไม้เนี่ยเราไปนั่งบนเรือไม้ข้างบนถ้าคว่ำหงายขึ้นมาข้างล่างสัตว์ทั้งนั้นเลยเกาะตามทั้งทุกผนทุกแห่งมีสัตว์เดรัจฉานหมดอันนี้ไม่นับถึงนรกในะนรกเอะอะยัดเยียดเหมือนผงทนานดีบุ ก, กว่างั้นแล้วเอาอะไรฉุดเราออกจากสิ่งเหล่านั้นล่ะเอาอะไรฉุดออกจากอบายทุคติวินิบาตเหล่านั้น ก็คือใจของเราที่มีศรัทธานั่นแหละที่จะช่วยเราได้ถ้าเราไม่ถือเอาตรงนั้นเนี่ยไม่รู้จะเอาตรงไหนเลยเนี่ยนะถ้าสมมุติถ้าเป็นคนที่รักตัวจริงๆว่างั้นเถอะรักตัวมากเนี่ยนะในที่สุดก็เป็นคนรักตัวเองจริงๆอะนะรักตนเห็นแก่ตนหวังประโยชน์หวังความสุขแก่ตนจริงๆเราจะถือเอาอะไรเนี่ยเป็นเป็นหลักจริงๆแล้วคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะพระองค์บอกว่าเป็นคนที่รักตัวมากนะเป็นคนที่รักตัว ใจจริงๆ จ, จ, จะพูดแหมเบื่อแล้วเกินรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะรักตัวนั่นแหละพระพุทธเจ้าเองพระ อ, องค์ก็บอกเป็นคนรักตัวรักอะไรเพราะกลัวอบายทุกขติวินิบาดนรกว่า ง, งั้นท่านก็กลัวเหมือนกันแหละว่างั้นเถอะถ้าท่านไม่กลัวท่านไม่มีเนี่ยท่านไม่ไม่ออกจากวัฏฏะหรอกท่านกลัววัฏฏะจริงๆท่านท่านท่านเบื่อหน่ายในความทุกข์ะนะ เกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์ร่าไปการไปสู่นรกก็เป็นทุกข์มันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแหะมีแต่ความทุกข์ทำไงเนาะจึงจะตรัสรู้รมเป็นที่พ้นทุกข์เครวสแวงหาสันติวรบทบทที่สงบจากกองทุกข์บทที่สงบจา ก, ก, ก, ทท ส, จากสังสารทุกข์เนี่ยนะอันของพวกเราทั้งหลายในฐานะผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเราก็เรามีระหว่างศรัทธาของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็ พระสงฆ์ส่วนเรื่องของพระพุทธเจ้าก็แบ่งเป็นพระปุพพะจริยาคุณพระสรีระคุณพระพุทธคุณทั้งหลายแล้วก็พระพุทธกิจทั้งปวงที่พระองค์บำเพ็ญกิจทั้งปวงที่พระองค์บำเพ็ญเอาไว้ก็เหลือไว้แต่พระธรรมคือคือปริยติธรรมเนี่ยนะที่เป็นถ้อยคําของพระองค์ที่เรียกว่าพุทธพจน์เนี่ยนะพุทธพจน์ดํารงอยู่ตราบใดพุทธศาสนาก็ดํารงอยู่ตราบนั้นถ้าพุทธพจน์ไม่เหลือแล้วก็พระพุทธศาสนาของศาสนาของพระพุทธเจ้านะ ส่วนของคนอื่นมาสวมรอยว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ ส, สำหรับของพระพุทธเจ้ามีอยู่เท่านั้นจริงๆมีอยู่ตราบเท่าที่มีคำสอนถ้าไม่มีคำสอนเมื่อใดตราบใดก็ถือว่าหมดแล้วนั่นนี่ก็มามาย้อนกลับมาหาพวกเราทั้งหลายมันถ้าเราเอาศรัทธาเป็นประมาณเรารู้แล้วว่าศรัทธานี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีและมีค่ามีสาระสูงส่งมากศรัทธาเนี่ยนะถ้าพูดถึงบอกว่า มีค่าขนาดไหนศรัทธาที่ของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าถ้าศรัทธาแบบเข้าใจพระพุทธเจ้าดีเลื่อมใสในพระธรรมดีเลื่อมใสในพระสงฆ์ดีหมายาว่าดีแปลว่าถูกต้องเข้าใจคุณตามเป็นจริงเลยเนะี่ยมีราคาเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่นะในเวลามาสูตรอังคุตรนิกายนวกนิบาศมีการเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่า ทานของเวลามาพราหมณ์เวลามาพราหมณ์เนี่ยนะให้ทานถ้าพี่พูดแบบสมัยนี้เนี่ยนะหลายหมื่นล้านหลายหมื่นล้านบาทเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะแกะเลี้ยงคนเกือบทั้งอินเดียอินเดียสมมติเอาถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยนะหนึ่งมื้อของคนอินเดียนี่ยบริโภคเท่าไหร่เนี่ยนะบริโภคข้าวข้าวกี่ตัำกี่ล้านตัน่ะนะกับข้าวกี่ล้านตันอ่ะเวลามาพรามณ์แกเลี้ยงเป็นหมื่นปีอนะ่ะ จะทำบุญได้เป็นหมื่นหมื่นปีเลี้ยงแทบจะเลี้ยงประชาชนพ้โลกเนี่ยนะให้ทานเรียกว่าและให้เงินเนี่ยนะไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไหรให้ทานมหาศาลในยว่างั้นเถอะทานของเวลามาพราหมณ์แทบจะไหลเหมือนกะระแสน้ําถามว่ารวยขนาดนั้นเลยบอกว่าใช่แต่รวยมากถึงเพราะราะกษัตริย์ทั้งหมดส่งสวยให้เขาคนเดียวเนีย่ยนะเป็นเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ที่กษัตริย์ส่งสวยหมดที่รวยจนถึงขนาดไม่รู้จะทำอะไรก็เลยให้ทาน เราก็ให้เป็น10บสิบปีก็ให้ไม่หมดนะนะรวยมากขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะแผ่นดินทั้งหมดเป็นของท่นานแทบจะเป็นของท่านนะกนษะัตริย์ก็เหมือนกับคนงานของท่านเท่านั้นเองอท่านมีมากขนาดนั้นท่านให้ทานขนาดนั้นท่านบอกว่าทานของเวลามาพรามที่ให้เช่นนั้นน่ะไม่ได้มีผลเท่ากับบุคคลที่ให้ทานแก่พระโสดาบันครั้งเดียวไม่ได้ถามว่าให้ทานกับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีผลเท่ากับให้ทานแก่พระโสดาบันครั้งเดียว ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบุคคลที่เวลามาพราหมณ์ให้ทานไม่มีพระริยะเลยคือคือเหมือนกับว่าให้ทานกับปุถุชนทั่วๆไปในยุคนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับให้ทานอะไรนะเอางี้หน่าเราจะมีข้าวเปลือกเนี่ยนะเป็นกูดังก็ช่างเถอะมันก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับเพชรเม็ดเดียววา ง, งอันน่ะใช่ไหม สมมติถ้าเราแหมร่ำ ร, รวยมากมีทรายอยู่ห้าสิบล้านตันอย่างเงี้ยเอามีทรายนยราคาทรายมันจเท่าไหร่เอามันก็ขายแบบตวงคิวเนี่ยนะโอ้เบอรเรอราได้ไม่กี่ตังค์นะคือถ้าเทียบกับเพชรพลอยอ่ะนะหมายความว่าฉันใดอ่ะทานของเวลามาพรา์เนี่ยถึงจะทำมากแต่ก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับทานของผู้ที่เป็นให้ทานแก่พระสูดาบันงนั้นฮะ อันนี้ก็จริงอ่ะนะก็ในในธรรมบทนี่ก็กล่าวถึงสมัยที่พระองค์ไปโปรดพูธ้ธรรมานดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีเ ท, เทพบุตรมาสององค์คืออินทกะเทพบุตรกับอังกุระเทพบุตรอังกุระเทพบุตรนั้นให้ทานแบบเนี่ยแบบเวลามาพรามนี่แหละให้ทานมากเสร็จแล้วก็อินทกะเทพบุตรให้ทานกับพระนุรุ ธ, ธะครั้งเดียวเสร็จแล้วอตอนหลังเนี่ยเมื่อเทวดาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเทวดามาเป็นหมื่นจักรวาลเนี่ยนะ อินทกระอัสถกษเทพบุตรนั่งอยู่ที่เดิมอังกุระเทพบุตรถอยแทบจะอยู่ท้ายๆพวกอะ่ะเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่านาบุญนี่มันต่างกันมันต่างกันเอางี้นี้ว่าถ้าเราทํางานเป็นลูกจ้างของคนจันทานเป็นร้อยๆคนเนี่ยนะเป็นพนักงานของลูกแหมมีจันทานเป็นเจ้านายเนี่ยนะเป็นล้านๆคนกลับทํางานให้บร ม, มาจากักรพรรดิอง์เดียวเนี่ยอัะไรจะมีค่ากันนะ่ะ จกกักรพรรดิเนี่ยนะเป็นล้านองค์ก็ไม่ได้มีค่าเท่ากับพระโสดาบันองค์เดียววันให้ทานกับพระโสดาบันหนึ่งครั้งจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากทีนี้ให้ทานกับพระโสดาบันร้อยท่านก็บนอันนั้นก็ไม่เท่ากับพระสกะทาคามีครั้งเดียวทํากับพระสกทาคามีร้อยครั้งหรือร้อยท่านก็ไม่ได้ถึงกับพระอานาคามีองค์เดียวทํากับพระอนาคามีร้อยท่านหรือร้อยองก็ไม่ได้มีผลเท่ากับ <siento> พระทหารองค์เดียวพระทหารร้อยองค์ ก็ไม่ได้มีผลมากเท่ากับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์เดียวทากับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป here, us, rim, mm? ็นร้อยองค์เนี่ยนะก็พระพุทธเจ้าองค์เดียวก็มีผลมากกว่าทากับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้บุญน้อยกว่าทําแก่สงที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทําแก่สงที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยนะก็ไม่มีผลมากมีอานิสงส์มากเท่ากับสร้างเสนาสนะทาน ไอเสนาสนาธิา น, นี่อย่าลืมนะว่าไม่ใช่สร้างให้วัดไม่ได้สร้างให้เจ้าวาดไม่ได้สร้างให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่สร้างให้เหมือนกับเรียกว่าเคยเห็นถนนข้างทางไหมศาลาข้างทางเนี่ยนะฉันใดใครมานั่งเมื่อไหร่ก็ได้คือสร้างแล้วตั้งใจให้เป็นสาธารณประโยชน์แบบนั้นอะ่ะอันเนี้ยเมียนิสองมากกับสังฆทาน นะนะีย น, นิสงฆ์มากกว่าวัตถุทานธรรมดาทั่วๆไปสร้างแบบเสนาสะนะที่เรียกว่าให้ให้แกสงฆ์นะที่มาจากที่ทั้ง4ี่ท่านจะมาตีหนึ่งท่านก็เข้าไปนอนได้ท่านจะมาหกโมงเข้าไปมาเมื่อไหร่ไม่ต้องไปขอใครว่างั้นเถอะไม่ต้องไปขอร้องว่าขอกุญแจจากผู้ใดไปถึงเปิดนอนได้เลยไ อ, ไอเซนาสะนะแบบนี้แหละที่เรียกว่ามีผลมากเมีย น, นิสงฆ์มากนะนะแต่ถ้าหากว่าแม้สร้างเป็นโกดังเก็บของแล้วก็แม้ใส่แต่กุญแจเอาไว้แล้วก็จะมีผลมากอันนี้นไม่เชื่อนะ เพราะว่าสร้างก็สร้างไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าเจตนาที่เป็นบุญก็อไม่ไม่ใช่ลักษณะที่ว่าอุทิศให้แก่สงฆ์จริงจริงอุทิศให้แก่สงฆ์ไม่ใช่กลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่หมายค่ะว่าเอาเนี่ยมาเปิดนอนเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนโรงแรมเหมือนกันเถอะถ้ามีราคาจ่ายจะมาตีหนึ่งก็เข้านอนได้จะมาตีสองก็เข้านอนได้จะมาเวลาไหนก็เข้าพักได้เหมือนั้นคล้ายๆแบบนั้นนะเป็นห้องที่เรียกว่าเขาพร้อมที่จะต้อนรับ การเสนาสนะแบบนั้นนมีผลมากนี่คนที่จะทําแบบนั้นจะต้องมีค่อนข้างมีฐานะใช่ไหมลงทุนสูงมากถึงจะมีพื้นที่ที่ดินแบบนั้นแล้วก็มีมีอะไรมีที่ดินแบบนั้นแล้วก็สร้างเสนาสนะให้อยู่สบายได้แบบนั้นจะต้องเป็นคนที่มีทรัพย์มากมีโภคะมากจึงจะทําได้แต่เชื่อไหมว่าเสนาสนะทานอันนั้นเนี่ยไม่ได้มีผลมากมีอนิสงฆ์มากเท่ากับศรัทธาของเราที่มีต่อ พราตรานะไตรเนี่ยนะ